อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้า ว, วันเสาร์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วนะคะเป็นวันเสาร์ที่30มิถุนายนวันนี้เป็นวันขึ้น12ค่ําเดือน8ปีมะโรงค่ะซึ่งทุกๆเช้าวัวนเสาร์และวันอาทิตย์นั้นคิดว่าท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการประจําของรายการธรรมารับอรุณ ก็คงจะทราบกันดีนะคะว่าอาจจะเป็นช่วงของการสักัาหรือการสนทนาธรรมะโดยดิฉันจะทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนะคะที่จะสอบถามซักถามแล้วก็พูดคุยหรือสักกากับพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนโแห่งวัดป่าดอนหายโศกตําบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนนี้ท่านก็เมตตาที่จะ มาเป็นองค์ปาโถกหรือว่าเป็นโคศกประจารายการธรรมาราปุลณของเราโดยเสมอมาเลยนะคะซึ่งก็คิดว่าคงจะได้ให้ประโยชน์แล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการธรรมาราปุลณ์ก็คงจะรู้จักกันดีทีเดียวนะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัส ก, การพ ร, พระอาจารย์พิบูลอภิปุนโนพร้อมกันเลยนะคะสําหรับการพบกันในเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน น, ะะนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าข้าพระอาจารย์เจ้าขาเชิญพาสาธุเจ้าค่ะ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะเจ้าคะ่ะโยมได้มีโอกาสที่จ ะ, ะได้สาระเกี่ยวกับเรื่องของกรรมเนี่ยเจ้าคะ่ะ ใ, ในหลายประเด็นด้วยกันแล้วก็สำหรับในสัปดาห์นี้โยมก็อยากจะมาขอสนทนาอีกนิดนึงเพราะว่าเพื่อจะทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้รับความกระจ่างขึ้น เกี่ยวกับเรื่องของการอโหสิกรรมเจ้าค่ะ อ, อันนี้ก็คงจะขอความเมตตาพระอาจารย์ว่าสําหรับการขออโหสิกรรมอย่างเช่นว่าเราเวลาเราอธิษฐานอะไรต่างๆนั้นเราก็จะขอให้เจ้ากรรมนายเวรหรือว่าผู้ที่เราล่วงเกินท่านนะเจ้าค่ะได้อโหสิกรรมให้กับเราหรือแม้แต่การที่ลูกผู้ชายสักคนหนึ่งจะไปบวชเรียนอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ<อ>ก็มักจะมีพิธีลาแล้วก็ขออโหสิกรรมอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็อยากจะข อ, อะกราบน้มัตการ พระอาจารย์เผยบุญอภิปโนเจ้าค่ะว่าสําหรับการอาขอโอโหสิกรรมที่ถูกต้องแล้วก็เชื่อว่าจะได้ผล อ, อย่างจริงจังในการที่จะได้รับการโอโหสิกรรมนั้นเนี่ยในทางพรษษษษษะพุทธศาสนาเราได้มีการกล่าวไว้อย่างถูกต้องอย่างไรบ้าง <พอ S 1> เจ้าคะ<อ>่ะกราบนิมนต์เจ้าค่ะจริงๆเมื่อ ท, ที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องโอโหสิก ร, รมนี้ไปนิดๆหน่อยๆ <นะ S 2> แต่ตอนนี้ก็จะมาขยายความตรงนี้ให้เพิ่มเติมจริงๆคําว่าโอโหสิกรรมโอโหสิกรรมเนี่ยเป็นเป็นศัพท์ สองตัวคือคําว่าโอาหสีคำหนึ่งแล้วก็คำว่ากรรมคํานึ่งเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวธรมาเองก็ได้ไปค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณเดินใจเพราะว่ารู้สึกมันจะมีคําความกํามุมกันอยู่ก็ได้ไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมนะพราะว่าในภาษาบาลีเนี่ยคำว่าเอาหสีเนี่ยเอาหสีเนี่ยนะเป็นภาษาบาลีเป็นกริยาตัวหนึ่งแปลว่าได้กระทําแล้วนได้กระทําแล้ว ทนี้เอามาใช้คู่กับกรรมแล้วนะก็แปลว่าเป็นกรรมที่ได้กระทําแล้วนะคือทําเสร็จไปแล้วว่างั้นเถอนะเนี่ยเป็น <Okay. S 1> อดีตไปแล้วนะเพราะคาว่าโอโหสินี่คือบ่งบอกถึงความที่เป็นอดีตไปแล้วนะได้กระ <Okay. S 1> ทําแล้วอาจจะอดีตไม่นานหรืออดี ต, ตการนานไกลามาแล้วก็ใช้คำว่าโอโหสีทั้งสิน้นกะ็ค <Okay. S 1> ือผ่านมาละจบไปละนะทีนี้ถ้าเราไปดูในพุทธวจนะคุณเตืเอนใจที่พุทธเจ้าได้ตรัสถึงอโหสีกรรมโอโหสิกรรมเนี่ยจริงๆคํานี้ที่ใช้คู่กันเนี่ยมันไม่มีเลย คือไป search ดนะูไปหาดูในโปรแกรมพระต่ปิดดกเนี่ยก็ไม่พบคํานี้เลยจะมีที่ใช้เนี่ยก็ใช้ อ, อโหสิแยกตังหาเป็นกิริยาตัวหนึ่งสมมตุติบอกว่าพระสงฆ์ได้ไะบินธบาตแล้วก็ใช้คําว่า อ, อโหสีเหมือนกันหรือว่าคารวะได้กินข้าวแล้วก็ใช้คําว่ากินข้าวแล้วนี่ก็จะมีกิริยาคำหนึ่งสมมตุติว่าเราได้ทําอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งแล้วนี่ก็ใช้คําว่าโ อ, อโหสีหมดเลยนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับาศาสนาอย่างเดียว <c oughs> หรือว่า <c oughs> <ๆ>เราได้เรียนหนังสือแล้วก็ใช้คํานี้ด้วยเหมือนกัน นะก็ก็เป็น<ด> ค, <ำ S 2> คําอโหสิหมดทีนี้คําว่าอโหสิกรรมกลับมามาใช้ได้อย่างไรคะ <ภา S 1> อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คําในภาษาไทยเนี่ยกลับกลายเป็นความหมายที่ว่าขอโทษนะขออโหสิขอแบบว่าขอให้ยกให้อภัยให้ขอยกโทษให้อย่างนี้นะเป็นความหมาย<ด>อย่างนี้ไปนะมาใช้ได้ยังไงมันก็มีการเปลีปล่ยนแปลงหลายอย่างนะอย่างคําว่าอิจฉาริษยาอย่างเงี้ยเอามาใช้ในคําไทยก็เปลี่ยนความหมายจากภาษาบาลีไป ภาษาบาลีอิจฉานี่แปลว่าความต้องการธรรมดาความต้องการเฉยๆไม่ได้มีความหมายในทางลบแต่พอเอามาใช้ใชเป็นภาษาไทยเป็นความหมายในทางลบเป็นลักษณะของอิจฉาริษยาไปอเจ้านะอย่างอโหสิ่เป็นภาษาบาลีก็แค่ว่าได้กระทําแล้วมีความหมายกลางๆบ่งบอกถึงความเป็นอดีตแต่พอมาใช้เป็นอาภาษาไทยก็บรรคะโอ้โหสิกรรมมาใช้ร่วมกับคำวกรรมด้วยซึ่งในภาษาบาลีไม่ได้ใช้อย่างนั้น <ๆ S 2> ก็แปลวา่าขอโทษขอยกโทษให้อย่างนี้ ก็กลายเป็นอย่างนั้นไปที <Okay. S 1> นี้เราเรามาดูการใช้ที่ถูกต้องดีกว่าและอยากจะยกตัวอย่างของการใช้ที่ยังไม่ถูกต้องสัหน่อยหนึ่งอย่างเช่นว่านายดําอย่างเงี้ยนายดํากับนายเขียวเป็นเพื่อนกั น, น, นปรากฏว่านายดำนี่ไปต่อว่านายเขียวเพราะว่าเรื่องของการค้าขายเช่นว่านายเขียวนี่ได้ข่าวมาว่านายเขียวนี่ไปค้าข า, ขายยาบ้าอย่างเงี้ยนายดำก็เลยไปต่อว่ า, าเพื่อนทํำไมทําอย่างงี้ว่าเสียหายเลยแต่พอพบความจริงว่าจริงๆแล้วนายเขียวนี่ถูกใส่ร้ายอย่างเงี้ย Los นายดําก็เลยจะไปขอโทษขอโปดไปข อ, อโอ้โหสีกรรมไว้อย่างนั้นนะซึ่งจริงจริ ง, รงคำนี้จะใช้ไม่ถูกนะที่จะใช้ถูกก็คือว่านายดำเนี่ยก็ไปขอโทษนายเขียวนะขอให้ในายเขียวนี้ยกโทษให้เพราะว่าความที่ตัวเองไม่ได้สอบตรวจสอบข้อมูลไม่ได้ค้นพบข้อมูลที่แท้จริง จ, งจึงได้ทําวัจีกรรมที่ไม่ดีไปอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นถ้าใช้ถูกก็คือว่ า, าใช้ในลักษณะว่าขอโทษนะหรือว่าขอเป็นให้ เ, เป็นการเลิกแล้วต่อกัน นะอีกคนหนึ่งจะยกโทษให้เรก็จะไม่ได้ใช้คําว่าออฉันให้โอโหสิกรรมกับเธอไม่ใช่อย่างนั้นนะเราก็จะใช้แค่ว่าเป็นว่าออฉันยกโทษให้เธอนะฉันก็เรียกว่าไม่ถือโทษโกรดเครืองอย่างนี้แตนะจริงๆมันน่า จ, จะเป็นลักษณะที่ว่าพออย่างนายเขียวอย่างเงี้ยยกเป็นโอโหสิกรรมให้ก็คือคิดว่าเป็นกรรมที่ได้กระทําทไปแล้วกัน น, นึงนะคือผ่านไปแล้วในเรื่องที่ผ่านมาแล้วเนี่ยคุณตัใจเราไม่เอามาขุดคุยพูดคุยอนันอะีกคือเพราะมันผ่านไปแล้วก็อาจึงอาจจะใช้คํานี้ในหมายความบาอย่างก็ได้นะ ในในคำแในพวกที่เขาเอามาใช้รุ่นแรกๆที่เขาเอาคํานี้มาใช้ค่ะเจ้าค่ะอาจจะเป็นคล้ายๆว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ไม่ได้จบจงสนใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะเราเราก็ไม่ได้ต้องพูดถึงอีกอย่างบางทีเจ้านายทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งัขึ้นมาลูกน้องเป็นกองวลใจว่าฉันทําไม่ถูกฉันทําไม่ดีอย่างเงี้ก็เลยมาขอโทษเจ้านายนะเจ้านายก็โอ้ยเรื่องนี้ฉันไม่ได้คิดอะไรเลยเธอให้มันผ่านผ่านไปเถอะเป็นโอ้โหสิกรรมอย่างงี้เพราะมันได้ผ่านมาแล้วอย่างนี้ก็ได้ เงี้ยเราคิดว่าคิดว่าอย่างนี้ถึงจะใช้ถูกต้องนะฮะส่วนความหมายที่เราควรจะใช้กันอย่างถูกต้องนั่นก็คือคำว่าอโหสิกรรมเนี่ยเป็นการที่ได้ผ่านมาแล้วท่า น, นเองนะทีนี้อโหสิกรรมอันหนึ่งที่เราจะมักใช้คู่กันก็คือใช้กับคํควาว่าเจ้ากรรมนายเวรขอให้กรรนี้จะเข้าจ้ากรรมนายเวรเป็นอโหสิกรรมนะซึ่งจริงๆแล้วไอ้ตรงเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยคุณตระใจจริงๆในทางคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยนะ เรื่องการเป็นเจ้าข้าวเจ้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่ไม่ได้บอกเลยคือทุกอย่างเป็นอนัตตาใช่ไหมสิ่งใดเป็นอนัตตาในสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราคือมันไม่มีอะไรเป็นของใครในคําสอนพระเจ้านะเพราะฉะนั้น<ะ>ถ้าเราจะมาคิดว่าอันนี้เป็นเจ้ากรรมนายเวรอันนี้ไม่ใช่ละเป็นความคิดที่ผิดละเป็นความคิดที่ไม่ใช่คํ Lastly, คาสอนพระเจ้าละแต่เรื่องกรรมนี่มีไม่มีเเรื่องเวรมีไม่มีกรรมมีเวรมี แต่ความที่จะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอะไรไม่มีนะีทีนี้ไอ้สัพท์ที่บอกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรนี่จริงๆถ้าจะพูดให้ถูกเนี่ยก็คือว่ากรรมเนี่ยเรามีอยู่แน่นอนถ้าเราถึงความสิ้นกรรมแล้วเราจะเป็นพระอาหารหันต์แล้วเราจะไม่ได้ต้องมาเกิดอีกแล้วนะกรรมทั้งหลายทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นการสิ้นไปทีนี้ถ้าการที่ผูกเวรนี่ยังมีอยู่อย่างสมมุติว่าตัวจะมาไปทำอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งนะอย่างเช่นเดินไปเนี่ยเดินหยียบหอย ช่วงนี้น่าฝนด้วยหอยมันก็เริ่มออกมานะพอเราเดินไปปวกเราไม่ได้เจตดนะไปเหยียบหอยหอยหเกิดผูกเวรกับเราขึ้นมานะการที่อหอยผูกเวรเนี่ยถือว่าหอยนี้เป็นเจ้ากรรมในเวรเราถ้าตามความหมายของชาวบ้านทั่วๆไปแต่นะจริงๆ<ช>ถ้าในความหมายของคําที่ผูช้ชอบจะใช้เนี่ยก็คือว่าหอยเนี่ยผูกเวรกับตัวอาตมานะหอยผูกเวรกับตัวอาตมาหรือว่าถ้าใครสักค น, ห น, กนหนึ่งด่าอาตมาขึ้นมานอาตมาเกิดไปผูกเวรกับเขารู้สึก ถึงเครียดในบุคคลนี้เป็นต้นนะเราจะผูกเวรกับคนนั้นนะชื่อว่าเราไปผูกเวรเขาละนะคนนั้นตามภาษาชาวบ้านก็จะคิดบอกว่าตัวเอามาเนี่เป็นเจ้ากรรมในเวรเขาอย่างนี้ก็จะไปตามจองล้างจองผาอะไรกันเป็นเรื่องบรรดาวอย่างนี้นะจริงๆแค่คือการผูกเวรเฉยๆนะมีคนมาผูกเวรกับเรานะส่วนเรื่องของภาษาเนี่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วคุณเดินใจนะแค่เราดูทีวีก็มีภาษากับเราคนแสดงหนังในทีวีก็มีภาษาเกิดขึ้นกับเราทันที แต่เพราะฉะนันถ้า่นี้เราบอกว่าผัสสะคือการเป็นเจ้ากรรมในเวรโอ้มันมันก็พูยไม่ถูกนะเพราะว่าจริงๆแล้วคนเล่นหนังเล่นละคร ม, มันก็แค่เป็นการเกิดสร้างผัสสะขึ้นมานะมันก็ไม่ได้ว่าจะต้องมาเป็นเจ้ากรรมเจ้าเจ้ากรรมในเวรหรือเป็นการผูกเวรอะไรกันนะนะทีนี้ถ้าจะใช้คํานี้ให้ถูกก็คือว่าใช้แค่เป็นการผูกเวรเฉยๆทีนี้เราจะแก้การผูกเวรก็มีวิธีการแก้อยู่นะคือคือแก้เนี่ยเป็นการแก้ที่ตัวเราเองนะอย่างสมมุติว่าถ้าตัวอาตมาจะไปผูกเวรกับใครสักคนในคนหนึ่ง นะเราก็จะสามารถแก้ได้การผูกเวรของเราเนี่ยนะก็ในการที่ประพฤติพรหมจรรย์บ้างการสวดมนต์บ้างหรือว่าการที่ปฏิบัติธรรมบ้างพวกนี้จะช่วยทําให้เราคลายความผูกเวรในคนอื่นไปเจ้าค่ะทีนี้ประเด็นก็คือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขจะขอเราถามว่าขอให้เป็นอโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรแต่จริงๆด้วยระบบความคิดตรงนี้มันจึงทําให้มีปัญหาที่ยังเข้าใจ เ, าเรื่องกรรมกันไม่ถูกต้องไงคุณในใจ เราไปคิดว่าโอ้คุณเกิดมานี่ใช้กรรมนะต้องรับไปนะความคิดนี้ไม่ถูกนะพระพุทธเจ้าพูดถึงการที่เราเกิดมาจริงจงสัตว์ที่คนที่เกิดมาใช้กรรมนี่ก็มีนะคือพูดถึงอย่างนี้ดีก ว, ว่าอย่างพวกสัตว์นรกในะพวกสัตว์เดรัชานพวกที่เกิดเป็นเบรดเป็นอสุรกายต่างๆพวกนี้อยู่ในอบายภูมิพวกนี้เป็นสัตว์ที่เรียกว่าใช้กรรมถูกต้องแต่ใช้พูดคํานี้ถูกคือเป็นสัตว์ที่จะถูกจองจาําถูกลงโทษ ถูกกักขังถูกนูงเนียวอยู่ในสถานที่ที่ไม่สามารถสร้างบุญสร้างกุศลได้ไม่มีการสร้างกุศลไม่มีการบําเพ็ญบุญแนะมีการแต่การที่สัตว์ใหญ่เคี้ยวกินสัตว์เล็กนะีพวกนี้เป็นพบที่ไม่ดีมากๆเลยเป็นลักษณะของการถูกจําขังในะอย่สมมติเราเรเข้าไปรับโทษในเรือนจำอย่างเงี้ยนะการไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยเป็นการลงโทษนะเช่นเดียวกันต่การที่เกิดไปเกิดเป็นสัตว์นรกยังิตระฉาญเปรตวิสัยพวกนี้เป็นการลงโทษ <Okay. S 2> ถ, ถ้าจะบอกว่าตรงนั้นเป็นการลงโทษนี้ผู้ถูกนะพู้ถูกแต่ถ้าเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยจะเรียกว่านั้นเป็นการลงโทษไม่ได้หรอกนะเพราะว่าจริงๆแล้วการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีโอกาสหลายอย่างนการสร้างกุศลเราทําได้การบ<ช>ํา<ร>เพ็ญบุญเราทําได้การทําสิ่งดีๆเราทําได้เพราะฉะนั้นเวลาเราเกิดมาแล้วเนี่ยคือเราบางทีเรามีความสุขบ้างความทุกข์บ้างนะมนุษย์ก็เป็นเป็นลักษณะนี้นะคือถ้าเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยจะขอว่าจะขอว่าจะได้แต่สิ่งที่ได้อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ จะขอว่าจะเจอแต่คนที่จะพูดดีๆกับเราอย่างเดียวมันก็ไม่มีนะมันจะเป็นลักษณะของพบอีกพบหนึ่งพระเจ้าเคยพูดถึงสวรรค์ชั้นหนึ่งกุญแจใจที่เป็นสวรรค์ชนิดที่มีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์เลยนั่นคือเ <คน S 2> ทพประเภทที่เป็นเทพเรียกว่าสุภ ก, กินหานะสุภ ก, กินอาหารเนี่ยเป็นใช่เป็นเนทพชนิดหนึ่งที่ว่ามีแต่ความสุขอย่างเดียวนะเอาว่าสวรรค์ชั้นอื่นๆอย่างชั้นดาวดึงอย่างเงี้ยเราคิดว่าเทวดามีความสุขใช่ไหมจริงๆไม่ใช่แต่เทวดาก็มีความทุกข์ก็มี ก็มีความทุกอย่างเทวดาเราคิดว่าฉันมีเงินน้อยเพราะฉันรวยแล้วจะมีเงินมากแล้วฉันจะมีความสุขคุณก็มีความทุกขอย่างคนที่รวยๆเขาจะมีกันมันก็มีความทุกขของคนนั้นเทวดาเขาก็มีความทุกของเทวดามีแค่เทวดาชั้นเดียวเท่านั้นที่ไม่มีความทุกเลยนั่นคือเทพพวกสุภกินหาเป็นเทพที่มีแต่ความสุขอย่างเดียวนี้ก็ยกไว้อันหนึ่งเพราะฉะนั้นในความสุขความทุกมันก็เกิดปะปนกันเนาะ S <S เราก็ใช้ฉกเฉยโอกาสตรงที่เรามีภาษะเนี่ยในการสร้างบุญสร้างกุศลจะสุขก็มีจะทุกข์ก็มีเราก็ยกไว้ก่อนนนะัแต่สิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยอย่างที่เราได้คุยกันสัปดาห์ที่แล้วนะว่าเราจะต้องทําแต่กรรมดีอย่างเดียว <S <S มาเรา <S 2> <S 2> ต้องสร้างกุศลบําเพ็ญบุญไม่ฆ่าสัตว์ไม่ไมลักทรัพย์ไม่รู้ผิดในการไม่แกล้งกล่าวเท็จไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคําหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่เป็นผู้มีความปรารถนาโลภไม่มีใจพยาบาทไม่มีมิจฉาทิฐิ ถ้าเราทําอย่างนี้ได้เนี่ยอยู่ในสถานการณ์ไหนก็แล้วแต่เนี่ยคือก็จะเป็นจุดจุดที่ทําให้เราเป็นคนดีขึ้นมาได้ <Okay. S 2> จริงๆคนดีคนไม่ดีเนี่ยเราก็ยกไ้ก่อนก็ได้แล้วคือเราก็ทําไปตามธรรมชาติคือบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าชีวิตฉันเนี่ย เ, เกิดมาเพื่ออะไรนะคุณเตอร์จัย <Okay. S 2> เ, เราก็ต้องพูดให้ชัดเจนว่าจริงๆเราจะรู้ได้อย่างไรเราเกิดมาทําไมเนี่ยนะ เ, เพราะว่าจึงพระพุทธเจ้าเคยบอกงี้นะบอกว่าบุคคลเกิดมาเป็นราชาหมากษัตริย์เนี่ย ก็เพราะกรรมกรรมคือการกระทำนะบุคคล <Okay. S 1> เป็นพราหม์ก็เพราะกรรมบุคคลเป็นโจรก็เพราะกรรมบุคคลเป็นข้าราชการก็เพราะกรรมบุคคลเป็นเป็นอาชีพนะเป็นอาชีพนี้ก็เพราะกรรมมานะถามว่าตรงนี้เป็นหมายความว่างไงกรรมเนี่ยแปลว่าเจตนาแปลว่าการกระทำนะที่นี้อย่างอย่างบางคนก็โทษไปโทษว่าเออฉันเป็นกรรมของฉันฉันเกิดมาเป็นอย่างนี้นะอันนี้เราได้เคยคุยกันตอนหนึ่งคุณตนใจที่บอกว่าเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นะนะ ที่เรได้คุยคุยกันไปว่าบางทีลูกพ่อแม่เนี่ยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สูงมากเลยแต่ลูกออกมาเป็นหัวขโมยก็มีนะ<ะ>หรือว่าพ่อแม่เป็นชาวนาธรรมดาลูกออกมาเป็นหมอโอโ้เรียนสูงเป็นด็อกเตอร์ก็มีแนะ<ะ>สดงว่าเราไม่ได้มีกรรมเราไม่ได้มีบรราเป็ดาเป็นเผ่าพันธุ์นะเรามีกรรมเป็นเผ่าพ<ะ>นะันธุ์กรรมในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงกรรมเก่าทั้งหมดด้วยอาจะมาจะยกตัวอย่า ง, อ ย, า ง, อ, ยางอย่างเช่นเด็กชายน้ำเงินอย่างเงี้ยเด็กชายน้ำเงินกับเด็กชายน้ํำทะเลแต่เด็กชายน้ําเงินนะี่เรียนหนังสือไม่ค่อยเก่ง ในยกตัวอย่างนะ <Okay. S 1> เด็กชายน้ำเงินนีเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งแบบอ่านหนังสือก็ไม่ค่อยเข้าใจสายตาก็สั้นบวกเลขสูตคูณอะไรก็จําไม่ค่อยได้นะ น, นี่เป็นลักษณะที่ที่เขาเป็นอั น, นนี้เด็กชายน้ําเงินในขณะที่เด็กชายน้ําทะเลนี่โอ้โหอ่านเลขปุ๊บนี่มันแทงตลอดไปหมดเลยว่าจะต้องถามคําถามยังไงต่อไปคําถามนี้ต้องตอบยังไงนันนี้คือลักษณะของเด็กชายน้ําทะเล <Okay. S 1> ทีนี้ปรากฏว่าเด็กชายน้ําเงินนี่ก็เป็นเพื่อนกับเด็กชายน้ําทะเล แล้วก็เลยชักชวนเด็กชายน้ําทะเลเนี่ยก็ชวนเด็กชายน้ําเงินให้ให้สอนให้เขารู้นะว่าอันนี้ทำอย่างนี้สิเพื่อนทำอย่างนี้สิเพื่อนนั้นเด็กชายน้ําเงินเนี่ยเพราะอาศัยเด็กชายน้ําทะเลทําให้เขาเรียนเก่งขึ้นมาได้แล้วก็มีเขาเรียกว่าเพื่อนดีก็แล้วกันว่าอย่างนั้นทำให้การกระทําของเขาเนี่ยเขาตั้งใจไว้ในการที่ทําดีทำให้เขาเรียนที่จะลุยต่อไปได้แล้วถ้าเราจะพูดถึงกรรมเก่านะว่าเด็กชายน้ําเงินนี่เติโตมาเกิดมานี่เรียนไม่ค่อยเก่งแต่เพราะอาศัยเด็กชายน้ําทะเลก็ไม่ได้อาศัยเ้าหมดนะ คือตัวเราเนี่ยก็ต้องตั้งใจไว้ในการทําให้ดีด้วยนั่นเด็กชายน้ำเงินจึงเรียนดีขึ้นมาได้ดเพราะฉะนั้นสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วเราจะเรียนดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่กรรมของเราจริงๆและกรรมในหมายถึงเจตนาที่เรากระทำในปัจจุบันนะเจตนาที่เรากระทำในปัจจุบันพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงกรรมเก่าเนี่ยกรรมเก่าหมายถึงความที่เรารู้สึกต่ออารมณ์ได้นะอย่างเช่นเด็กชายน้ําเงินเนี่ยเขารู้สึกว่าโอ้ตัวฉันเรียนไม่เก่งนะเนี่ยคือกรรมเก่าของคุณ นะคุณรู้สึกต่ออารมณ์สักอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละคือกรรมเก่าของคุณนะส่วนเด็กชายน้ําน้ําทะเลนีเรียนเก่งใช่ไหมคุณรู้สึกว่าตัวเองเรียนเก่งนะอันนี้ก็ก็ยกไปไม่มีว่าอะไรแต่ว่าในขณะเดียวกันนะมีเด็กชายคนหนึ่งเด็กชายน้ําฝนอย่างนี้เด็กชายน้ําฝนนี่คิดว่าตัวเองตัวเองก็เรียนเก่งอยู่แล้วก็ยกตนข่มท่านด้วยคุนข้อนี้เป็นเหตุด้วยแต่เราะนั้นเขาก็สร้างกรรมไม่ดีละเนี่ยเขาสร้างกรรมใหม่ที่ไม่ดีนะต่อไปก็จะได้รับผลที่นี้เราต้องการยกตัวอย่างให้เห็นว่า บุคคลจะเป็นอะไรเนี่ยนะก็เพราะกรรมนะบางคนเรียนจบมาอย่างหนึ่งแต่ไปทําอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้ก็มีนะเนื่อเพราะว่าจิตเขาตั้งใจไปใ น, ในการที่จะทําอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะเพราะนั่นพอจิตเขาตั้งใจไปใ น, ในการที่จะทําอย่างนั้นมันก็เลยเป็นอย่างนั้นว่างนั้นเถอะเจ้าคะทีนี้โยมพอจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมเจ้าคะว่าตามที่พระอาจารย์ไพบุลยอภิปุโนได้สากฉามานะเจ้าคะว่ากรรมเนี่ยก็คืออ เรียกว่าแปลความหมายว่าเป็นการกระทําอย่างหนึง่งซึ่งการกระทํานี้อาจจะอย่างที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้นะเจ้าคะว่าอาจจะเป็นการกระทําของเราในชาติที่ปางก่อนคือในชีวิตก่อนที่เราจะเกิดมาเพราะว่าเราเชื่อกันว่าคนเรานี้ก็จะอยู่ในสังสารพบใช่ไหมเจ้าคะว่าแบบวนเวียนอยู่อย่างนี้ถ้าเผื่อว่ายังไม่ได้สู่นิพพานดังนั้นก็คือการกระทําของเราในอดีตชาติของเราส่วนการกระทําในปัจจุบันนี้ก็เป็นกรรมที่เราทนะําณปัจจุบนัน ซึ่งถ้าเราทำกรรมดีอะเจ้าค่ะชีวิตเราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกรรมดีที่เรากระทำในชาตินี้เป็นไรก็ตามที่แน่นอนก็คือคนทุกคนที่เกิดมาเนี่ยก็จะต้องใช้ชดใช้กรรม เก่าที่เราไม่ว่าจะทํามาแต่ชาติปางไหนเนะเด็ดเด็ดเดเอ่อชดใช้กรรมเก่าเนี่ยเป็นคําที่อย่างย่งถ้าจะใช้ให้ถูกนะคุณเตยต้องบอกว่าเอ่อกรรมที่เราได้เคยทํามาต้องให้ผลแน่นอนว่ากันดีกว่าเจ้าค่ะเจ้าค่ะกรรมที่เราเคยทำมาต้องให้ผลแน่นอนอืมเจ้าค่ะคือก็ต้องตามมาให้ผลเราแหละแต่ว่าจะตรงไหนตอนนั้นใช่เท่านั้นใช่ไหมเจ้าค่ะเป็นเรื่องที่พยากรยากอืมเจ้าค่ะดังนั้นที่ชาวบ้านเราเอ่อเชื่อกันนะเจ้าค่ะ ว่าบางทีเราเกิดมาเนี่ยเราก็ทําสิ่งที่ดีดีในชาตินี้เจ้าค่ะทำอะไรดีหมดทุกอย่างเลยกรตันยูต่อพ่อแม่ตั้งใจเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่บางคนก็มีเหมือนกันนะเจ้าค่ะที่ว่าชีวิตก็ไม่ได้รุ่งเรืองแล้วก็แถมมีศัตรูมาคอยขัดแย้งขัดขาให้เขาไม่ได้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้นี่เองอะ่ะเจ้าค่ะที่โยมคิดว่าคงจะมีะบรรดาพุษศาสชนิกชนเราหรือว่าพี่น้องประชาชนเราเนี่ยจํานวนมากทีเดียว จึงได้เกิดความเชื่อขึ้นไงเจ้าคะว่าอันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นเพราะว่ากรรมเก่าของเราแหละที่ทำอยู่ชาติก่อนๆเจ้าค่ะอย่างนี้เจ้าค่ะต่อตัว่นีบนพระอาจารย์ได้สากระชาให้กระจ่างนี้เถิดเจ้าค่ะจะยกตัวอย่าง2ตัวอย่างนะซึ่งอันนี้เป็นในสมัยพุทธกาลด้วยในสมัยพุทธกาลตอนนั้นพระเจ้าพระเศียรนิโกสัเนี่ยไปเด็เข้าไปในเมืองคือคือเหตุก็คือว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งเขาตายลงเศรษฐีคนนี้มีเงินมากจริงๆแต่ว่าไม่มีบุตรไม่มีลูกนะ ก็พระเจ้าเปรตนิโกโสลคือตามปกติแล้วทรัพย์สินที่ไม่มีเจ้าของรักษาก็จะเก็บเข้าคลังหลวงใช่ไหมพระเจ้าเสรตนิโกโสนก็เลยไปจัดการเรื่องนี้นะให้ราชบุรุษพวกข้าราชการของตัวเองเนี่ยไปดาเนินการตัวเองก็ไปคอยคุมดูด้วยนะคุมดูแล้วก็ได้ข้อสังเกตสองสามอย่างนะก็เลยไปที่วัดเชตวันนะไปหาพระรูปเจ้ากนะ็คือปกติแล้วราชานี่จะเป็นคนที่มีงานมากนะพระเจ้าเปรตนิโกศนเนี่ยแต่ว่าวันนี้มาหาพระรูปเจ้าได้ตอนกลางวัน ในปกติจะต้องทํางานจนถึงเย็นจนถึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาวัดจัรพรรตอนค่ำแต่พระเจ้าก็เลยสงสัยว่าเอาทาไมวันนี้ถึงมาได้ทุกช่วงกลางวันแต่พระเจ้าปรตนิโคสุนก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าไปเก็บทรัพย์มาก็ได้เล่ารายละเอียดเพิ่มเติมว่าไอ้ซับที่ตัวเองไปเก็บมาเนี่ยนะของเศรษฐีคนนี้มีมากจริงๆแต่แประหลาดใจอยู่อย่างหนึ่งว่าเศรษฐีคนนี้เนี่ยตอนเขามีชีวิตอยู่เนี่ยนะคุณเดินใจเขากินข้าวเนี่ยนะเขาเอาค้อนกรวดเนี่ยไปคลุกเหลือแล้วก็กินกับข้าวต้มนะ เหมือนกับชาวจีนสมัยโบราณที่เขาเสือ้อผืนมันใบามานะเอาเอ า, เอาก้อนกรวดเนี่ยไปคุกเกลือแล้วก็กินแล้วก็ก้อนกรวดนี่ก็ล้างล้างเก็บไว้กินมื้อต่อไปอือใ่ค่ะทั้งๆงที่เป็นเศรษฐีเศรษฐีกินได้ดีกว่านั้นนะจ๊ะใช่รวยมากเลยทั้นที่สองรถที่เขาไปไหนนะก็จะมีรถเป็นเกวียนเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยนะก็เป็นรถที่เอาปะทะปะทางไว้ด้วยไม้ไผ่่คือเอาไม้ไผ่มาดามตรงนี้ตามตรงนู้นไม่ใช่ไม้แก่นอย่างดีก็อันนี้ข้อที่สองข้อที่สามก็คือว่าเขาใส่เสื้อผ้านี่นะ ก็ใส่เสื้อผ้าป่าๆขาดๆเอาผ้ามาต่อกันใส่ผ้ามาต่อกันเอ๊ะทำไมไม่ใส่ผ้าเนื้อดีจากแคนกาสีนะพระเจ้าเสด็จที่โคตสนก็สงสัยก็เลยตั้งข้อสังเกตนี้มาถามพระพุทเจ้าพระุเจ้าก็เลยเล่าบุปพกรรมของเศรษฐีคนนี้ให้ฟังเรื่องนี้เป็นพุทธประนาณ่ะนะปาไม่ได้เอาจากอัตกระดาษมาเล่านะพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้บอกว่าเศรษฐีคนนี้สมัยก่อนนู้นเกิดในเมืองสาวัตถีนี่แหละนะแล้วตอนนั้นก็เป็นเศรษฐีเหมือนกันนะแล้วก็กําลังกินข้าวอยู่ เห็นพระประเจกผู้เช่าเดินมาบินดบาทเราก็เลยคิดว่าเองฉั้นก็ให้ลูกน้องเอาไปใส่บาตรให้ละกันนะคิดเฉยๆนะคิดแล้วก็สั่งลูกน้องแล้วก็เดินจากไปนะพอเดินจากไปปุ๊บก็เลยมีความคิดโอ้ไม่น่าจะเอาไปใส่ให้เลยโอ้น่าจะเอาไปให้ลูกน้องเรากินดีกว่าไม่น่าจะเอาไปใส่บาตรให้พระเลยคิดอย่างนี้เกิดเสียดายขึ้นมาใช่มีความเสียดายเกิดขึ้นแต่นะปรากฏในชาตินั้นเนี่ยเขาก็ไปฆ่าลูกของพี่ชายเนะพื่อที่จะฮุบสมบัติทั้งหมด นะเพราะหลังจากที่ตายจากชาตินั้นไปปรากฏว่าเศรษฐีคนนีนะ้ด้วยกรรมนะการกระทําของเขาที่มีตั้งใจที่ว่าจะไปใส่บาตรตั้งแเองตัวเองไม่ได้ทําด้วยมือของตัวเองด้วยน ะ, ะคือก็ได้บุญน้อยๆลงไปนี่แหละปรากฏว่าทําให้เขาเนี่ยไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงนะตลอดการนานมากทีเดียวนานจริงๆพ ร, ระเจ้าไม่ได้บอกว่านานกี่ปีเพราะมันนานมากพ อ, อกรรมนั้นหมดนะเขาก็เลยมาเกิดเป็นเศรษฐนะีในเมืองสาวัตถีนี้ นนเมื่อสาวธีเกิดเป็นเศรษฐีเนี่ยเพราะว่าเศษของกรรมที่ตัวเองได้สั่งให้ลูกน้องไปใส่บาตรในพระประเกจกุลเจ้าเศษของกรรมไม่เฉยที่เหลืออยู่ทำให้เขามาเกิดเป็นเศรษฐีอีก7ชาตินะ<ด>แล้วในตลอด7ชาตินั้นเนี่ยเป็นเศรษฐีที่รวยมากละ่ะก็เลยเนื่องจากการที่เขาไปฆ่าลูกของพี่ชายทำให้ตลอด7ชาตินั้นเขาไม่มีบุตรเลยไม่มีลูก<ด>ในช่วงที่เขาอยู่7ชาตินั้นเขาก็มีความเป็นอยู่อย่างชนิด ท, ที่ว่ากระเวกกระเสียดด้วยทั้งนั้นที่ตัวเองรวย คือเป็นผู้ที่ยินดีในข่าวแบบกระจกกระจอกๆๆๆในเสื้อผ้ากระจกกระจกรถกระจกกระจอกๆๆๆๆๆทั้งนั้นที่ตัวเองเป็นคนมีเงินมากนั่นก็เพราะว่าความที่เขาตระหนี่ใจากกรรมที่ตัวเองได้สร้างไว้คือรู้สึกเสียดายว่างไหมเธอ ค, คุณดวงใจลองดูเหตุการณ์นี้นี่เป็นภูริวนะัฒนานะว่าทําไมคนที่รวยมหาศาลขนาดนี้แล้วแต่ว่ากลับไปยินดีของที่แบบไม่ค่อยมีคุณค่ามีราคาอะไรตรงนี้แหละคือกรรมเก่าไงคุณดวใจคือความที่เรารู้สึกต่ออารมณ์ได้ นะความตำรนีมันมีอยู่ในจิตอะทาให้เขาจะซื้อผ้าดีๆอ๋อไม่ซื้อหรอกเก็บเงินไหมอย่างเงี้ยนะคือไม่ได้ประโยชน์จากทรัพย์ที่ตัวเองมีนะคือตัวเองมีเงินอยู่จริงนะแต่มาจะต้องการจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบที่สองนี้กับชาวบ้านบ้า น, บ, านบ้านของตำรนาโศกเนี่ยเออคือเศรษฐีบ้านนอกเลยคุณคุณต้ใจนึกนึกออกไหมเศรษฐีบ้านนอกเนี่ยนะ เ, <Okay. S 1> เขาค้าขายรำ่ำรวยเขามีไรนาอะไรต่างเขาก็รวยจริงแต่แต่ว่าปริมาณเงินที่เขามีเนี่ยถ้าจะไปเปรียบเปรียบเทียบกับคนชั้นกลางค่อนข้างสูงในกรุงเทพเนี่ย อาจจะน้อยกว่าด้วยซ้ําก็ใช่ไหมคนชั้นกลางค่อนข้างสูงในกรุงเทพอาจจะมีเงินอยู่หลายร้ายล้านใช่ไหมแต่ว่าชาวบ้านเศรษฐีในบ้านนะคนที่รวยที่สุดในหมู่บ้านเนี่ยมีเงินไม่ถึงร้อยล้านหรอกอื<ช>แต่ว่าเขามีเงินเยอะอยู่เป็นล้านล้านมีอยู่แต่ไม่ถึงร้อยล้านหรอกทีนี้ถามว่าคนที่อยู่บ้านนอกอย่างเนี้ยได้รับการยกย่องนับหน้าถือตาในหมู่บ้านเขายกย่องคนนี้ให้เป็นเศรษฐีมีอะไรก็เกรงใจมีอะไรก็มาปรึกษาถ้าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเขาก็ยกให้เลยอย่างเงี้ยนะเขามีความสุขนี้บ้านครอบครัวต่างๆก็สามัคคีกัน แตนะ่ถ้าไปเปรียบเทียบกับคนชนชั้นกลางค่อนข้างสูงในกรุงเทพนะที่มีเงินมากเป็นหลายร้อยล้านก็จริงนะแต่ว่าครอบครัวไม่มีความสุขก็มีนะกลับมาด่ากาันว่ากันไม่สามัคคีกันนะคนนี้ก็ไปทางคนนี้ก็ไปทางลูกก็ไม่เชื่อฟังผานเงินผานทรัพย์อยู่เป็นก็ม <Okay. S 1> นะีเพราะฉะนั้นเราเห็น2กรณีนีนะ้เราดูมาเปรียบเทียบนี่ตัวอย่างจริงๆเลยในชีวิตปัจจุบันนะถามสิาเศรษฐ <Okay. S 1> ีบ้านนอกเนะี่ยมีความสุขมากกว่าคนชนชั้นกลางในเมืองด้วยซ้ำ คคะนะไม่ใช่เพราะว่าด้วยความที่เขามีทรับมากแต่เพราะว่าความที่เขารู้สึกต่ออารมณ์ได้การที่รู้สึกต่ออารมณ์ได้เนี่ยคือกรรมเก่าคุณติดใจกันแน่น้อที่ฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกของเขาเนาะใช่ไหม ค, คะเป็นลักษณะของเขาว่าเป็นลักษณะที่คคตัวเขาเป็นอย่างนี้จิตเขาเป็นอย่างนี้นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้บทเพียรชนะที่เราจะต้องใช้ให้ถูกว่าสมมุติว่าเราคําว่า เกิดมาใช้กรรมเกิดมาใช้กรรมจะใช้ได้กับอะไรบ้างบอกได้เลยใช้ได้กับสัตว์เดรัจฉานได้ใช้กับสัตวนรกได้ใช้กับพูดผีปีศาจเปรตพวกนี้ได้เพราะพวกนั้นเนี่ยเกิดมาเนี่ยได้รับแต่ความทุกข์อย่างเดียวไม่มีความสุขเจือปนเลยนะเป็น อ, อ, ยอย่างสุนัขเนี่ยขอโทษทีเถอนะแต่บางทีความสุขของมันก็คือกินได้กินกระดูกไก่ที่มีเศษเศษเนื้อติดนิดนึงอย่างเงี้ยนะหรือว่าได้มีหมาตัวเมียอย่างเงี้ยแค่นั้นเองคือความสุข ข, ของมันถามว่าเป็นความสุขที่ที่เรายินดีไหม มนุษย์ไม่ได้ยินดีในกระดูกไก่ที่มีเนื้อติดนิดนึดนงนะ <Okay. S 1> ใช่ไหมเพราะนั้น <Okay. S 1> ถามว่าคือความที่เขายินดีในพบนั้นของเขาเนี่ยเป็นการลงโทษซึ่งซึ่งซ่ ง, ซ, งซึ่งไม่ถูกต้องเป็นเป็นสิ่งที่ต้องได้รับกรรมเป็นสิ่งที่ต้องชดใช้เป็นสิ่งที่ได้ถูกการลงโทษแค่นั้นเอง <Okay. S 1> นะเพราะตรงนั้นเนี่ยเป็นเครื่องที่จะผูกเขาให้อยู่ด้วยความเป็นสัตว์เด ร, รัจฉานอย่างสุนัขเนี่ย ยินดีในกระดูกไก่ยินดีในสุนัขโตเมียทําให้ตรงนี้ผูกตัวมันเองเนี่ยให้อยู่ในพบนั้นโอ้โหเป็นห้าร้อยชาติเป็นพันชาติว า, างกันเถอะ <Okay. S 1> ไก่ก็ตามสุนัข ก, ก็ตามเนี่ยผมก็อยากเกิดเป็นสุนัขอยากเกิดเป็นไก่อยู่นั่นแหละร่ำไปร่าไป <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้คําให้ถูกต้องนะว่าเราเกิดมาใช้คำหรือไม่นะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ละกันว่าเราเกิดมาสุขก็มีเราทุกข์ก็มนะีสุขก็มีทุกข์ก็มนะีสิ่งที่เราจะต้องทำนะคือไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ด้วยซ้ําหรอก คือเราจะรู้ได้เหงอเราจะต้องทําอะไรในชีวิตนี้เกิดมาฉันจะทอะไรเกิดมาฉันจะไปไหนเกิดาฉันจะเป็นอะไรนะครือถ้าเราจิตใจเราเป็นจิตที่ตั้งมั่นมีเขาเรียกว่ามีอะไรจิตใจมีมีพลังนี่นะเราจะเห็นเราจะรู้ได้ว่าเราจะทําอะไรในในชีวิตของเราใช่ค่ะก็คือมีปัญญาที่จะคิดได้นะใช่ใตรงนี้ถามว่าปัญญานี้อาศัยอะไรเป็นเหตุคุณต้องมีสมาธินะคุณจะมีสมาธิคุณอาศัยอะไรเป็นเหตุคุณต้องทําความดีไงถ้าคุณทําความดีเนี่ยจิตคุณใสสว่าง เป็นสมาธิได้มีกําลังในการที่จะเห็นว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอันนี้ถึงจะถูกอือเจ้าค่ะเาค่ะอ่าพัสดุ์นนวันนี้เนะี่ยถ้าจะพูดถึงเอ่อเป็นการสรุปเพื่อตืนใจในเะกี่ยวกับเรื่องที่เราพูดมาในวันนี้นะคือข้อที่1นึ่นะอโอโหสิกรรมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นความหมายก็คือว่าอ่ากรรมที่ได้ผ่านมาแล้วได้ล่วงมาแล้วนะถ้าจะใช้ให้ถูกก็คือว่าเป็นการขอโทษเท่านั้นเองของอภัยค่ะนะข้อที่สองเราไม่ได้เกิดมาใช้กรรมนะเราเกิดมาสร้างความดี นะการที่จะใช้คำรรว่าเกิดมาใช้กรรมเนี่ยก็คือสําหรับพวกสัตเดรัจฉานเท่านั้นทําความเข้าใจให้ถูกต้องว่าบางทีสุข ก, ก็มีทุกข์ก็มนะีในข้อที่สมก็คือว่าสิ่งที่เราผ่านมาแล้วล่วงไปแล้วเนี่ยเราเห็นโทษด้วยความเป็นโทษเราก็ทํำคืนตามธรรมนั่นกะนะนะ็จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะให้มีกรรมนะสิ่งที่ดนะีมีความเพียรนะเราตั้งใจไว้ดีนะี่ก็จะดีแล้วดีมากทีเดียวจุ๊ค่ะ อันนี้ก็คงเปรียบเหมือนอย่างที่พระอาจารย์ไพบวุลนเคยเมตตาสากฉามาว่าถ้าเราทําความดีเพิ่มขึ้นเรื่อ ย, อยๆก็จะเหมือนว่าเป็นแม่น้ําอันกว้างใหญ่นะเจ้าคะสิ่งที่เราเคยทําไม่ดีไว้ในอดีตอาจจะเป็นเพียงก้อนเกลือเล็กๆ ใ, ในแม่น้ําเจ้าพญายอย่างนี้เป็นต้นก็จะไม่ค่อยมีผลต่อเราดังนั้นก็คือทุกคนก็ต้องมุ่งที่จะต้องมีศีลสมาธิปัญญาประพฤติปฏิบัติตนคือคิดดีทดําดีพูดดีอันนี้ก็จะทําให้ชีวิตมีความสุขได้นะเจ้าคะถูกต้องเลย สาธุเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็หมดเวลาลงแล้วนะเจ้าค่ะสําหรับวันช้าวันเสาร์นี้ก็คิดว่าคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะพอเข้าใจตามที่พระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนโดได้เมตตาที่จะสาักษาหรือสนทนาธรรมะกันมาในรายการธรรมา ร, รับอรุณนี้นะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่กับพระอาจารย์ไพบุญและการสนทนาธรรมะหรือว่าสากาักษาในเช้าวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ค่ะซึ่งก็เป็นวัน เริ่มต้นขึ้นเดือนใหม่กันแล้วนะคะสําหรับในเช้าวันนี้ก็ขอนาําทผู้ฟังทางบ้านนะคะกราบน้มักการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบุญอภิพุโนโนพระอาจารย์ผู้อํานวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมปริกเกณนตามพุทธโอษฐ์หรือพุทธวจนะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าชนิดที่เรียกว่าปิดวาจาอย่างเคร่งครัดมากๆเลยของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพอ่อดรสะอาดที่โตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภะกรท่านเป็นเจ้าอาวาสนะคะ วัดป่าดอนหายโศกนั้นตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีค่ะสำหรับในเช้าวันนี้ก็กราบนรัาสการขอพระคุณและกราบนรมาสการลาเจ้า่ะพระอาจารย์เจ้าขาเชิญผานสาธุเจ้า่ะ